อ้าเคลนไปบรรยายเรื่องลูกเปลี่ยนรูปด้วยรักแท้แก่ลูกด้วยพลังบุงเบญเมื่อจัดการบรรยายก็จะมีแม่ๆเข้ามาหาถามปัญหาเล่าความทุกข์ความทุกข์ก็คือความทุกข์ในเรื่องพฤติกรรมของลูกที่ก้าวร้าวติดเกมพฤติกรรมของลูกที่ขี้เกียจซึมเศร้าได้อื่นๆ แล้เขาก็จะมีจำนวนหนึ่งที่บอกว่าฟังบรรยายมาทั้งหมดของอ า, า, นนอางจารย์เนี่ยยังจับประเด็นไม่ได้อยากได้วิธีที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้เขาอยากจะได้วิธีที่เป็นรูปธรรมแต่เขาลืมดูว่าเวลาเขาทุกข์เขาทุกข์ที่นามระดมคือทุกที่ใจ ในเวลาที่ส่งผลไปที่พฤติกรรมของลูกต่างๆมันส่งไปเพราะใจมันส่งไปเขาไม่พยายามที่จะเข้ามาแก้ที่นามาธำแต่ยังอยากได้รูปธรรมไปจัดการนมามธรรมพวเราดูตัวนี้ให้ดีและทุกๆคนเวลามาหาที่คลินิกในสมัยเปิดคลินิกหรือเวลาเมื่อไปฟังเข้ากอดอบรม ก็จะเข้ามาและเหมือนกับให้เราเป็นที่พึ่งยัดเยียดความทุกข์ของเรายัดเยียดความทุกข์ที่เขามีเนี่ยให้เรารับผิดชอบยัดเยียดลูกของเขาให้เรารับผิดชอบให้เราช่วยเราก็เข้าสมาธิฟังฟังด้วยความเป็นอุเบกขาและสงสารสงสารที่ทุกคนอยากได้ความโดยด่วนเร็วพันปัญหาเกิดมาตั้งปีหนึ่งแต่อยากให้แก้เสร็จภายในสามวัน โดยเองทำกรรมทำเวรอะไรมาไว้เป็นตี๋กว่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมของลูกได้มันใช้เวลานานแต่เวลาจะมาเอาทางแก้เนี่ยขอสามวันขอวันหนึ่งขอแป๊บเดียวคนพวกนี้ไม่อยากจะคุยด้วยเอาเปรียบธรรมชาตินื่นเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับเราเนี่ยทุกที่นำ ม, มาทำกระจ และพฤติกรรมของลูกที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันมาจากใจถ้าเราไม่ยอมรับเรื่องของใจตั้งแต่ยอมรับเรื่องของกรรมวิบากในเด็ตชาติในปัจจุบันเป็นพื้นฐานแล้วก็เข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลไกของใจความรู้สึกการปล่อยวางที่ใจไม่มีทางที่เราจะแก้รูปธรรมใดๆทั้งโลกนี้ได้ไม่ใช่กค่เรื่องลกพอเข้าใจได้ไหม ทุกที่นามมาทำแต่จะเอารูปธรรมมาแก้มันต้องเอานามมาทำแก้นามมาทำแล้วนามมาทำเยนไปจัดระเบียบข้างนอกเองสองกว่าพฤติกรรมของลูกหรือกว่าสิ่งที่เราเคยเกิดกับเราเนี่ยทั้งหลายมีความทุกข์เนี่ยมันจะผิดตัวออกขึ้นมันใช้เวลานานแต่เวลาเราอยากจะแก้ไขเราจะเอาแก้ดเดียวเราจะเอาเดียยนี้ ที่นี้พอเราเอาเดี๋ยวนี้ก็ให้ทางรัดให้คือรัดเข้าไปที่ใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจก็คือยังไม่เข้าไปในหัวใจจะเอาแต่เปลือกจอเข้าใจได้ไหมและก็สุดท้ายทุกคนต้องแก้ปัญหาของตัวเองไม่ควรโยนปัญหาให้ใคร ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาลูกสามีอะไรก็ตามเราทุกที่เราเราต้องจัดการความทุกข์ที่เราเท่านั้นไม่ใช่ไปจัดการความทุกข์ที่คนอื่นคนอื่นนะเป็นล้อมๆแค่นั้นเองนะให้เราสบายใจชั่วคราวแต่ถ้าเราจัดการความทุกข์ที่เราได้เราจะเป็นเหมือนคุณอ้อคุณแม่ผู้เสียสระคุณแม่ผู้อดทนเลี้ยงลูกที่เป็นออติสติกมานานถึงยี่สิบปีเธอก็อยู่ได้ แค่ที่เรานะครับ